เขจะเป็นพรท่านผู้มในการสถาบันศุลกากกรตลอดจนสาธุชนผู้สนใจในความดีงามของชีวิตการบรญญาณ น, นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ชื่อว่าศุลกากร์สายสะอาดคำว่าสะอาดเนี่ย ในทางุทตศาสนาเนี่ยมันจะโยงกับอีกสองสอสอแรกก็คือสงบสอที่สองก็คือสว่างสะอาดสงบสว่างอันนี้มันไปด้วยกันนะสิ่งที่เราเรียกว่าความสะอาดทางจิตใจหรือพฤติกรรมเนี่ยรวมถึงความสะอาดในโลกนะไม่ใช่เฉพาะ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยจะโยงไปถึงความสงบและความสว่างอยู่เสมออันนี้เนี่ยเราเอาหลักการนี้เนี่ยมาใช้กับการเลี้ยงดูรูปหลายของเราก็ได้เราทุกคนก็อยากจะให้รูปหลังของเราเนี่ยมีมีความสะอาดทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจ แต่ความสะอาดโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ลอยเว้นแต่ว่ามีความสงบและความสว่างนะอ่าเป็นตัวรองรับนะถ้าถ้าเปรียบนะฮะอ่ะถ้าเปรียบอย่างโดยใช้อุปมาอุปไ ม, อปมยอย่างโบราณเนี่ยถ้าความสะอาดเนี่ย เปรียบเสมือนกับปักเกลียนนะเกลียนก็จะลากไปได้ด้วยวัวสองตัวนะวัวตัวแรกก็คือ ส, สงบวัวที่สองคือ ส, สว่างนั่นเองนะชีวิตของเรา ก, ก็ดำเนินไปได้ด้วยด้วยสสนี้นะและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสุข เป็นสอที่สนีะ่ความสะอาดก็ดีสงบก็ดีสว่างก็ดีแล้วก็ความสุขก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็รวมอยู่ในสิ่งที่สมัยนี้เรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยหรือใช้คําเก่าหน่อยก็คือศีลธรรมนะแต่ศีลธรรมนี่ก็ความมาอาจจะแคบ แค่กว่าจริยธรรมเรานะจำเป็นต้องมีจริยธรรมหรือว่าศีลธรรมนะในชีวิตไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราเรากลัวเรื่องบาปบุญคุณโทษเท่านั้นนะแต่ว่า คุณค่าของจรยิยธรรมอยู่ตรงที่ว่าทำให้ชีวองเราเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงนะทำไมนะเราถึงต้องสนใจเรื่องจรยิยธรรมกันทำไมเราถึงต้องสนใจเรื่องอความใสสะอาดนะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะนำไปสู่ความสุข อย่างแท้จริงและ ย, ยั่งยืนะพะพเจ้าตรัสว่าไม่มีสุขใดเสมอเท่าความสงบนะความสนุกก็ไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงนะคนที่สนุกนะบันเทิง จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนถ้าถามตัวเองจริงๆเนี่ยก็จะพบว่าไอ้รสชาติแห่งความสนุกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันสามารถจะทำให้มันแสดงอาการได้ด้วยความสงบไม่กระสับกระส่าย เคยมีพระราชาองค์หนึ่งในสาพุทธการพระเจ้าพิพิษารเคยท้าพระพุทธเจ้าว่าใครมีความสุขมากกว่ากันพนะพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์นั่นแหละมีความสุขมากกว่าท่านังที่พระองค์นี่ก็ไม่ได้ มีค้าถาสบริวารจะมาคอยขับดิสีตีเป่าหรือคอยมาบำรุงบำเลอบำเรอเรอะไรแต่ทั้งสิ้นแต่พระเจ้าตอบว่าพระองคนี่มีความสุขมากกว่าพระเจ้าวิสาก็ถามว่าพิสูจน์สิพระเจ้าท่านพิสูจน์ได้ง่ายมากก็คือว่าระหว่างเรากับท่านเนี่ยเหมือนระหว่างพระองค์กับพระเจ้าวิสารเนี่ย ถ้าหากจะให้นั่งอยู่กับที่เป็นชั่วโมงเป็นวันใครที่นั่งได้ น, นานกว่ากันนะไม่ได้นั่งแค่เป็นวันอาจจะสองวันสามวันใครที่นั่งได้ น, นานกว่ากันผู้เจ้าบอกว่าในพระงนี้สามารถที่จะอยู่ได้นั่งได้โดยไม่โดยไม่โดยไม่ โดยไม่ไหวติงเลยเนี่ยได้เป็นวันอันนี้แหละคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระองค์เนี่ยมีความสุขมากกว่าเพราะว่าพระองค์นั้นเนี่ยไม่กระสับกระส่ายทั้งกายและใจแต่ลองนึกเสกคนที่เอาเด็กเนี่ยเอาเด็กที่เพลินกับความสนุกสนานหรือผู้ใหญ่ก็ได้ ถ้ามานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยอยู่ได้ไหมเริ่มกระศัพท์กระสายแล้วเพราะว่าชีวิตนี้มันไม่มีรถไม่มีชาติ ท, ที่จริงไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งอยู่เฉยๆหรอกไปอยู่ในปา่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเพลงไม่มีเครื่องเล่นเอ็นกีสามเรื่องสิ้น ตรงนี้การที่เราจะดูว่าใครเนี่ยมีความสุขมากกว่ากันในนักเอธิพุทธศาสนาเนี่ยก็ดูตรงนี้ว่าเขาสามารถที่จะอยู่อย่างสงบได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเรา้านะเพราะว่าความความสุขนั้นลักษณะหนึ่งของความสุขคือการที่ไม่กระสับกระส่ายนะแล้วก็ไม่ดิ้นรนแส่สายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่ง เป็นประเด็นซึ่งมีมีความสำคัญมากว่าทาไมนะทไมการเข้าถึงความสุขในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันถึงไม่อิงมันถึงไม่ต้องไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งเสพนะทีะนี้ตมาก็จะขยายความนะให้ให้ละเอียดลงไปนะว่า วิธีแห่งความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยนะมันมีกี่ส่วนกี่ด้านนะคนเราเนี่ยนะความสูงคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับสามสิ่งนะหนึ่งความสัมพันธ์กับวัตถุอันนี้รวมถึงเงินด้วยนะะ วัตถุสิ่งเสพรวมไปถึงเทคโนโลยีด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเรียกรมกวมแล้วก็ความสัมพันธ์กับวัตถุอันที่สองคือความสัมพันธ์กับผู้อื่นอันที่สามคือความสัมพันธ์กับตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีสิ่งเสพสิ่งบริโภค หรือมีเงินมากนะแต่ว่ามันจริงหรือว่ายิ่งมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากยิ่งมีความสุขคนจำนวนมากเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ยังไม่หยุดก็ยังพยายามที่จะหามา หรือครอบครองให้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นเศรษฐีสิบล้านก็ยังอยากจะได้เงินร0อยล้านเป็นเศรษฐีร้อยล้านก็ยังอยากจะเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านหรือสาล้านก็ไม่พอคำถามคือว่าถ้ามีความสุขมันก็น่าจะหยุดนะ ถ้ามีความสุขมันก็น่าจะหยุดแต่ทำไมถึงยังหยุดไม่ได้ก็เพราะว่ายังไม่มีความสุขพอหรือว่ายังไม่ค้นพบความสุขนะก็เลยต้องดิ้นรนให้มีมากขึ้นด้วยความเชื่อว่าถ้ามีมากแล้วก็จะสุขแต่พอได้แล้วก็ไม่สุขสักทีนะอันเนี้ยนะมันมันคือความจริงซึ่งเราเห็นได้ ทั่วไปในสังคมทำไมยิ่งมีเท่าไหร่ก็ถึงไม่มีความสุขสักทีนะอาจารยมาคิดว่าเรื่องนี้เราอาจจะตอบได้นะก็คือว่าพอเรามีแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์ที่จริงมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มที่เกิดความอยากแล้วเพราะเราอยากขึ้นมาแล้วเรายังไม่ได้สิ่งนั้นมาเราก็ทุกข์ แล้นั้นเราก็ต้องดิ้นลนเพื่อจะหาสิ่งนั้นมาดิ้นลนด้วยวิธีที่ถูกต้องชอบธรรมก็มีเช่นทำมาหากินหรือว่าดิ้นลนด้วยวิธีที่อาจจะไม่อาจจะอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ไม่ตรงประเด็นนักเช่แนแนทนแทนที่จะทำแทนที่จะทำมาหากินก็เอา แต่แทงหวยนะอันนี้เนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายอันนี้หมายถึงหวบนดินนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่จะตรงไปสู่เป้าหมายได้หรือหนักกนนะ็คือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องใช้วิธีการที่เช่นการปล้นจี้การโกงการคอร์รัปชันนะในกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์และสมมติว่าถ้าได้มาก็ทุกข์อีกว่าต้องคอยดูแลต้องคอยรักษา คนที่มีรถซื้อรถถอยรถคันใหม่มามีความสุขที่ได้มีรถคันใหม่แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยเกิดไปจอดรถไว้ในที่เปลี่ยวแล้วตัวเองเนี่ยต้องไปธุระต้องไปทํางานในในตึกที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยคงจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ คอยเป็นห่วงว่ารถจะเป็นอย่างไรนะใครจะเอารถเราไปหรือเปล่าใครจะมือบอลมาเอาเอาเหล็กมาขูดตัวถังรถหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยนะมันมันก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถจะประสบได้ในชีวิต ครั้นได้มาแล้วนะต้องห่วงคอยเป็นห่วงว่ามันจะพัดพลาดสูญเสียไปจากเราหรือเปล่าและถ้าเกิดมันพลาพลาดสูญเสียไปจากเราจริงๆนะก็เป็นทุกข์แต่ถึงจะยังไม่พลาพลา ด, ดสูญเสียแต่ถ้าอยู่ไปนานๆถ้าอยู่ไปนานๆเกิดอะไรขึ้นฮนะเบือ่ออาหารที่อร่อยเนี่ย อาหารที่อร่อยนะทุกคนแต่ละแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะโปรดปรานอาหารแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอาจจะเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างแปะซ่หรือว่าหูฉลามลองของเกตไหมฮะกินช้อนกินช้อนแรกหรือชามแรกเนี่ยมันอร่อยแต่ลองกินทุกวันทุกมือ้อ เช้ากังวันเย็นเช้ากับงวันเย็นนะกินไปสักหนึ่งเดือนเนี่ยจะรู้สีอย่างไรนะอาหารก็ยังยังปรุงด้วยพ่อครัวฝีมือดีรสชาติก็ยังรสชาติดีแต่ถามว่ามันยังอร่อยอยู่หรือเปล่านะเริ่มเบื่อใช่ไหมฮะ แล้วถ้ากินนาไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันไม่ใช่เบืองเดียมันจะเอียนเลยนะมีรถคันใหม่เสื้อผ้าตัวใหม่นะกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ตอนแรกที่ได้มาก็มีความสุขแต่พอปานผ่านไปสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนปีหนึ่งสองปียังมีความสุขอยู่หรือเปล่า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 มีเงินแสนมีเงินล้านก็ไม่ทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับได้มาอีกแสนหนึ่งมีเสื้อลองเท้าร้อยคู่ก็ไม่ทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับได้คู่ใหม่มาอีกหนึ่งคู่รู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอาตมานเนี่ยไปบินธบารนะ ที่ไพศาลนี้เขาก็ชาวบ้านก็ให้ข้าวเหนียวนะมีวันหนึ่งเนี่ยก็มีก็มีหมาตัวหนึ่งมันตามมาตมาก็โยนข้าวเหนียวให้ก้อนหนึ่งให้กํามือหนึ่งนะหมาเนี่ยก็เขาเ้าไปงับมันไม่ทันจะเคี้ยวแหลยตากโยนไปอีกก้อนหนึ่งมันทำไงทราบ้หมฮะมันทิ้งก้อนเก่ามันแล้วมันก็คับก้อนใหม่ ทา้งที่ก็สองก้อนก็เหมือนกันแต่ทางทั้งที่ก้อนเก่ายังไม่ทันจะกินเลยมันก็ทิ้งนะที่แรกก็หัวเลาะเยอะมันว่ามันช่างโง่เหลือเกินนะในเมื่อสองก้อนนั้นก็ก็เหมือนกันแหละแต่มันนึกดูเอ้ยเราก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเวลาเราได้อะไรมาเนี่ยไอ้ของที่เรามีเนี่ยมันไม่ไม่ ไม่มีเสน่ห์ไม่จูงใจเรามากเท่ากับของที่เราได้มาใหม่อัตมาเป็นคนชอบชอบหนังสือนะมีหนังสือเป็น <c oughs> เป็นร้อยเป็นพันเล่มแต่พอได้เล่มใหม่มาทีไรก็เฮ อ, อมีความสุขทุกทีคนเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮความสุขเราไม่ได้ความเราไม่ได้สุขเพราะมีนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราสุขเพราะได้ มีเท่าไรไม่สำคัญเท่ากับว่าได้มาใหม่หรือเปล่านะปัญหาตรงนี้ล่ะคนเราว่าในเมื่อเราเนี่ยไม่มีความสุขจากการที่มีแต่เราเอาความสุขงเราไปฝากไว้กับเวลาได้อะไรใหม่ๆเราก็เลยไม่มีความสุขสทั้ทีเพราะว่าเราต้องหาของใหม่มาอยู่เรื่อยคงอันนี้เป็นพ่ออันนี้หรือเปล่าทำไมเราถึงไม่ ถึงอยากจะมีแฟนคนใหม่อยู่เรื่อยนะไม่ว่าเราจะได้แฟนที่หล่อหรือสวยยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าแฟนคนอื่นสวยกว่าแฟนเราหรือแฟนคนอื่นหล่อกว่าแฟนเราเป็นงี้หรือเปล่าอาหารที่คนอื่นสั่งนะมันอร่อยมันน่าอร่อยกว่าอาหารที่เราที่เรากาลังกินอยู่นะ เออคือเราต้องถามนะว่าเราเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่านะสิ่งที่เรามีเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจมากเท่ากับสิ่งที่เราได้มาใหม่นะและถ้าเราเอาความสุขของเราไปฟ้าไว้กับวัตถุสิ่งเสพหรือของที่ได้มาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีวันสุขสักทีนะเพราะมันก็ต้องดิ้นรนอยู่เรื่อย แล้วที่น่าที่น่าที่มันน่าคิดยิ่งนะคือว่าของที่เราได้มาเนี่ยนะได้มาใหม่อย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องได้มากกว่าคนอื่นด้วยถ้าได้น้อยกว่าคนอื่นนี่ไม่มีความสุขแล้ว สมมุตินะฮะว่าเราได้เลื่อนเราได้เราได้โบนัสไม่ทราบว่ากรมทรัพย์กรณีการอาจจะไม่ถ้าเป็นธุรกิจเอกชนเนี่ยสมมุติว่าเรานะสิ้นปีเราได้โบนัสน ะ, ะสองเดือนนะดีใจไหมฮะได้สองเดือนแต่พอเรารู้มาว่าเพื่อนเราได้สามเดือนรู้สีไง คนส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกแย่ไปเลยเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเอาพ้าผมไปแจกชาวบ้านบ้านละผืนบ้านละผืนชาวบ้านดีใจนะฮะแต่พอรู้ว่าอีกบ้านหนึ่งเขาได้สองผืนนี่ที่ยิ้มยิ้มนี่หุบเลยความรู้สึกแย่ลงแย่กว่าตอนที่ยังไม่ได้ผ้าห่มอีก นี่มัน น, น่าคิดนะคนเราถ้าได้เพราผมฟรีๆมาผืนหนึ่งน่าจะมีความสุขมากกว่าตอนที่ไม่ได้แต่คนจนนู้นไม่น้อยเลยเนี่ยมีความทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้เพราผมเมื่อรู้ว่าคนหนึ่งเขาได้สองแต่เราได้หนึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะคนชนลำบดนะคนในเมืองก็เป็นอย่างที่ตามายุติยานะไดนะ้ได้โบนัสนะ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 ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนะธุรกิจของทางบ้านที่ทำการก่อสร้างเนี่ยเรียกว่าเป็นหนี้หลายพันล้านเพราะค่าเงินบาทมันตกคุณพ่อก็ชวนเรียกขอยนักธุรกิจคนนี้เนี่ยมามาคุมกิจการของบริษัทหลังปี40และภายในเวลา3ปีนะฮะสามารถที่จะปลดหนี้ได้ สามปีต่อมาก็มีกําไรมากขึ้นจนกรทั่งสินทรัพย์ของบริษัทนี่มีประมาณหมื่นสองพันล้านนี่มาปีสี่หกนะน่าจะมีความสุขนะฮะจากคนซึ่งจากคนซึ่งทําต้องบริหารธุรกิจที่ติดลบนะ คือแค่ปลดหนี้ภายในเวลาสามปีได้เเงินนดหนี้หลายพันล้านเนี่ยได้มีความสุขว่าเหมือนกับหลุดจากนรกและมีนํำซ้ำอีก3ปีก็ได้ทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มมาเป็นหมื่นล้านแต่ว่ามีวันหนึ่งนักธุรกิจท่านนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตฉันมันไม่มีความสุขเลยแกบอกเนียว่าผมมันก็แค่เศรษฐีหมื่นล้านคนหนึ่งเท่านั้นแหละ เพราะว่าในเมืองไทยมันเศรษฐีหมื่นล้านนี่มีตั้งห้าร้อยคนไม่มีความสุขนะขนาดเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตนะก็เลยทํำยังไงก็เลยได้ลนไปเป็นนักการเมืองตอนนี้ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งแต่มันเป็นอุตาห์นนะว่าคนเราเนี่ยนะฮะ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 อยากจะได้ของใหม่อยู่เรื่อยๆนะไม่มีความสุขเพราะคอยห่วงกังวลสิ่งที่สิ่งที่เรามีอยู่ว่ามันจะสูญเสียไปและไม่ว่าจะห่วงกังวลยังไรถึงที่สุดมันก็ต้องสูญเสียไปอยู่วันยังค่ำเพราะว่าความพลัดพรากความสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตแต่ว่าคนเราไม่ค่อยไม่ค่อยตระหนักตรงนี้ นะอันเนี้ยคือปัญหาคือว่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยมันต้องจัดความสัมพันธ์ของเราเนี่ยกับวัตถุเสหม่นะว่าเราเนี่ยจะฝากความสุขของเราฝากชีวิตของเราเนี่ยไว้กับวัตถุมากแค่ไหนคนจะนวนไม่น้อยเนี่ยคิดว่าถ้ามีเงินแล้วจะมีความสุข และยิ่งมีมากก็จะมีความสุขแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมันไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไปหรืออาจจะแยกกันนะคือว่าทุกเมื่อสักสองปีก่อนเนี่ยมีมีพ่อค้าเลขคนหนึ่งนะฮะถูกหวยรางวัลออที่หนึ่งได้ยี่สิบล้านบาทนะเคยใครเวลานี้ในเมืองไทยก็ใหญ่ถูกหวย ความฝันคือว่าอยากจะได้ลอตเตอรี่ถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วคนนี้เนี่ยเขาก็สมหวังนะไม่ใช่แค่ได้สีห้าล้านยนะี่สิบล้านทีเดียวนังสืบพินไทยแล้กวก็พาดหัวตัวไม้น้านหนึ่งนะแต่ว่าอีกหนึ่งเดือนต่อมาไทยแลกก็พลาดหัวอีกว่าพ่อค้าหรือเศรษฐีคนนี้เนี่ยกินยาพิการตัวตา่าย แต่ว่าไม่ตายจริงนะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยช่วยไว้ได้ทันล้างท้องเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐีเศรษฐีใหม่คนนี้นะแกก็บอกว่านางสืบพิมก็ไปสัมภาษณ์แกก็บอกว่านะเมื่อถูกหวย2ี่สิบล้านเนี่ยถูรัตติกาลยี่ิบล้านเนี่ยนะก็บอกว่าชีิตนี่ไม่มีความสุขเลย นะทั้งๆ ท, ที่ก็เตรียมไว้แล้วนะว่าเงินเนี่ยจะแบ่งให้ใครบ้างให้ลูกคนละล้านมีลูกสาวสามคน3ล้านนะซื้อบ้าน2ล้านนะแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทำทุนเข้าธนาคาร10ล้านถึง5้าล้านเอาไว้สำหรับแจกนะสำหรับแจกนะแต่พราโอ้โหมีคนมาข อ, อนี่เยอะแยะไปหมด ให้พันก็อยากได้มื่นไม่พอใจให้หมื่นก็ไม่พอใจก็อยากได้แสน <c oughs> แทนที่จะมีมิตรกลับมีศัตรูมากขึ้นจนกระทั่งมีคนหนึงก็โทรมาขู่ว่าจะฆ่าเ้ากำเนีย่ยเขาเครียดมากเลยเครียดมากก็เลยบอกว่าไม่อยู่ละกินยาฆ่ากินยาฆ่าตัวตายแต่ลูกสาวช่วยไม่ได้ทำ เศษที่หมายคนนี้เนี่ยแกเป็นพ่อค้าเร่ซึ่งเคยลำบากเมื่อนักสือไปนัสือพิมไปสัมภาษณ์แกแกก็บอกว่าแกพูดมาประโยชน์บอกว่าเนี่ยตอนเป็นพ่อค้าเร่หาเช้ากินค่ำเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไห น, นสิ่งที่แกพูดนี่มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นสัจวาจาเลยเนะ คือความสุขงคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินนะบางทีมีมีไม่มากนะก็มีความสุขแต่ว่าคนเราเนี่ยกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจสัจธรรมอันนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อนะก็ต่อเมื่อได้ มีมากมายแล้วถึงจะพบความจริงว่าไอ้มีมากๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้เป็นสุขได้อาจจะแย่ยิ่งกว่าตอนที่ไม่มีเสียอีกพูดอย่างนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าไอ้การมีเงินมากๆไม่ดีนะฮะพระเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะการที่คนเราจะเป็นจะเป็นเศรษฐีแต่อยู่ที่ว่าเรา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 เ, เกิดจากการใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องความสุขเกิดจากการไม่มีหนีน้และความสุขเกิดจากการที่ไม่เป็นทาสของวัตถุวัตถุจะมีประโยชน์แต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลายเป็นทาสของมันไปยึดติดมันก็กลายเป็นอันตรายกับเราขึ้นมา ท, ทันทีถ้าพูดอย่าง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 ถึงข้อดีและที่เราเรียกว่าคุณและข้อเสียที่เราเรียกว่าโทษของวัตถนะุรวมต้องเห็นข้อจำกัดของมันด้วยอันนี้จะมาพูดไปรวมถึงความสะดวกสบายด้วยนะฮะความสะดวกสบายที่เกิดจากวัตถุคนเวลาที่ไม่ค่อยเห็นโทษนะว่าความสะดวกสบายเนี่ยมันมีโทษอย่างไรบ้างเราเห็นแต่ประโยชน์ของมัน เดี๋ยวนี้เนี่ยกระทรวงกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกําลังรณรงค์ให้คนออกกําลังกายเพราะว่าพบว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไทยตายเพราะโรคขี้เกียจเถอดินโรคขี้เกียจไหฮะตายไปเพราะโรคขี้เกียจเนี่ยนาทีละชั่วโมงละเก้าคนโรคขี้เกียจนั่นคือโรคที่โรคที่เกิดโรคที่ ทำให้เป็นเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะความสะดกสบายเช่นโรคโรคหัวใจนะโรคความดันโรคเบาหวานโรคอ้วนนะอันนี้เขาเรียกโรคชีเกียคือว่าสบายเงี้ยไม่เอาเอาแต่กินเอาแต่กินแล้วก็ไปไหนก็ไม่ต้องเดินนะขับรถ มีเครื่องอำความสะดทุกอย่างไม่ต้องใช้แรงนะมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากมาย ก, กินเนื้อนมไข่กินน้ําตาลเยอะแย ะ, ยะนะทำให้เป็นโรคอ้วนทำให้เป็นเบาหวานทาให้เป็นโรคหัวใจทำให้เป็นโรคความดันแล้วก็มันเลงด้วยนะนี่คือโทษของความสะดวกสบายนะซึ่งคนคนทุกวันที่ยังไม่เคยเข้าใจนะแต่นี่เป็นโทษทางทางทา ง, ทางกายภาพนะฮะ ทางจิตใจอาตมาก็ได้พูดไว้ไว้พอสมควรแล้วนะฮะว่ามันมันทำให้เราเนี่ยทำให้เราดิ้นรนแสสายทําให้เราไม่รู้จักพอสักทีแล้วมันยังทําลายความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นด้วยนะตัวอย่างง่ายๆดูได้อย่างง่ายๆเด็กสมัยนี้เนี่ยนะวันวันนึงนี่เขาใช้เวลากับอะไรฮะ โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์แล้วก็เกมออนไลน์หรือคอมพิวเตอร์นะเขามีการทำวิจัยว่าเด็กกรุงเทพเนี่ยใช้เวลากับ3สิ่งนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถึงชั่วโมงอันนี้หมายถึงวันธรรมดานะฮะห้ถึง7ชั่วโมงไม่ต้องไม่ต้องนับเวลาที่อยู่บนรถเมล์น ะ, ะรถติด แล้วก็เวลาที่อยู่ในโรงเรียนและถามว่าเ้ามีเวลาได้อยู่กับพ่อแม่นะผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะบางทีผู้พ่อแม่แยกกันอยู่กันคนละห้องเพราะว่าดูโทรทัศน์คนละช่องนะหรือพ่อบางทีก็อยู่กับคอมพิวเตอร์เล่นเกมอน อ, อนไลน์ติ ด, ต, ดติดอันต์อินเทอร์เน็ต ไอความสะดสบายของวัตถุเนี่ยมันสองสังเกต้วมันเริ่มทําให้ความสัมพันธ์ของผู้คนแยก่างจากกันอันนี้ไม่ใช่ว่ามันมันมันมันไม่ดีเพียงแล้วเราเราต้องมองเห็นถึงถึงถึงถึงโทษของมันด้วยซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่ว่าความสะดวกสบายนั้นเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนี่ถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้เลิกต้องคิดแล้วเอ๊ะมันต้องรู้จักพอนะแค่ไหนถึงจะพอนะ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 ต้องการห้ารก็หามาแค่5้ายห้าสแล้วก็หยุดนะอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่สิ่งอันนั้น ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าสัมโดดอย่างที่ที่เราเข้าใจด้วยเศรษกิพอเพียงนี้ชื่อพอเพียงหมายควาว่าเราใช้น้อยขณะที่คนนึ่นเขาใช้ห้าพันหกันแต่ว่าเราคิดว่าพันเดียวก็พอแล้วแต่ก็หมายความว่าเราจะหาแค่พันเดียวหรือสองพันเร า, า จ, จะหามากกว่านั้นแต่ว่าที่หามาได้มากเนี่ย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 หรืออยากได้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอทำงานเราถึงจะพอใจในสิ่งที่เรามนะีโดยที่ไม่คำนึงว่าคนอื่นจะได้มากกว่าเราหรือเปล่านะใครเขาจะขึ้นได้โบนัสสามมืนสี่มืนสามเดือนสี่เดือนอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะการที่ฉันได้โบนัสสองเดือนนะหรือว่าได้เลื่อนขั้น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 เมื่อได้มาแล้วก็มีเสียไปนะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอ น, นิจจังถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเพื่อมันมีความพันผวนป่วนไปอย่างเราก็ไม่ทุกข์ใช่แต่เวลานี้คนเราเนี่ยไม่สามารถจะทำใจกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนมีมีนักธุรกิจหนุ่มคนนึงเนี่ยแกซื้อโทรศัพท์มือถือมา รุ่นใหม่เลยสองหมนกว่า บ, บาทแล้วก็เกิดหายไปก็ก็เสียดายนะเพินข้างบ้านเนี่ยเป็นวัดมีหลวงพ่อซึ่งเป็นเกจิอาจารย์นะก็เลยหวังไปพึ่งบารมีหลวงพอ่อให้ช่วยนั่งทางในหน่อยแล้วช่วยชี้ทิศว่าจะจะได้คืนไหมหรือจะไปหาไปเอาไปหาจัดที่ไหน ก็ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อถ้าไม่ถามเไปนะว่าโทรทัศน์อโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรหรือว่าหายที่ไหนหลวงพ่อถามว่ามีทองไหมหลุมคนนั้นก็บอกมีหลวงพ่อก็บอกนี้อีกไม่นานก็หายมีรถไหมหนุมนก็บอกมี อีกไม่นานก็หายมีแซนไหมมีครับอีกไม่นานก็ไปพอหลวงพ่อถามอย่างนี้แกก็เลยกราบหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็เดินออกจากวัดไปเลยคือไม่ใช่ว่าแกกลัวว่าจะถูกแช่งมากกว่า น, นี้นะแต่แกเริ่มแกแกได้สติขึ้นมาว่า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 เพราะว่าวันพรุ่งนี้วันหน้าอาจจะเสียมากกว่า น, นั้นทำใจได้ก็เลยปล่อยวางกับโทรศัพท์นี้คือความจริงนะคือความจริงของชีวิตซึ่งเราต้องต้อ ง, ต, องต้องเตรียมใจต้องเตรียมใจระ ล, ลึกไว้อยู่เสมอเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันแล้วคนทุกวันนี้เนี่ยเราเราเราคิดว่าเราไปหลงคิดหลงเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนนะั้นมันจะอยู่กับเราได้อย่างยัง่งยืนยาวนาน นะแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่มันมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะมันเป็นของชั่วคราวเพราะถึงเวลาตายไปแล้วเราก็เอาไปไม่ได้ใช่ั้ยฮะแม้กระทั่งเงินเงินบาทที่ที่ใส่ปากเราเมื่อเรานอนอยู่บนโลงแล้วเนี่ยนอนอยู่ในโลงแล้วเนี่ยเราก็เอาไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเหรียญเหรียญบาทเหรียญ น, นั้น สิ่งที่จะช่วยเราได้เนี่ยมีอย่างเดียวคือบุญกุศลนะแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เราแย่ลงในยานันก็คือบาปนะบาปและบุญเนี่ยแหละคือสิ่งที่มีความสำคัญเมื่อเราละจากโลกนี้ไปของที่เรามีสิ่งที่เรามีเนี่ยต้องถือว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูแล หรือหยดยืนมาชั่วคราวถึงเวลาเราก็ต้องต้องจ่ายต้องคืนเข้าไปมีโฆษณานาฬิกายี่ห้อหนึ่งซึ่งแพงมากนะชื่อว่าฟิลิปป์ตเต็กหลายท่านคงรู้จักนะอัตมาไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นนาฬิกานี้แต่ทราบว่าแพงเขาจะโฆษณานะมีพ่อกับลูกก็ก็บอกว่าเนี่ย คุณไม่ได้เป็นเจ้าของนาฬิกายี่ห้อนี้นะคุณเป็นเพียงแต่ผูด้ดูแลเพื่อให้ลูกได้ได้ได้ใช้ต่อไปอันี้เขพูดเป็นภาษาอังกฤษน่าจามาแปลแบบแปลแบบกระท่อนกระแท่นแบบนั้นถือก็ต้องต้องการโฆษณาว่าไอนาฬิกานี้เนี่ยยี่ห้อนี้มันมันมันมันทนมากจกนกระทั่งเนี่ยสามารถที่จะ เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้มาคิดๆ ด, ดูจริงๆมันไม่ใช่แค่นาฬิกาท่า น, นาที่ไม่ใช่นาฬิกายี่ห้อนี้ท่า น, นาที่เราเนี่ยสมมุติเรามีนะฮะไม่ใช่เราทน่านที่เป็นเจ้าที่ไม่ใช่เจ้าของนะสิ่งทั้งหลายของปวงเราก็ไม่ใช่เจ้าของพอถึงเวลาเราก็เอาอไปไม่ได้นะเราเราเพียงแต่ดูแลแล้วเมื่อเราหมดลม เราก็ส่งต่อให้แก่คนอื่นต่อไปอาจจะเป็นลูกหลานสามีภรรยาหรือว่าประเทศชาติก็ได้คือถ้าเราทำใจหยุดเสมอเนี่ยจมาคิดว่าวัตถุเงินทองทรัพย์สมบัติเนี่ยมันจะมันจะเป็นนายของเราน้อยลงมันจะขี่คอควบคุมกำหนดชีวิตเราได้น้อยลง มันจะล่อลอกให้เราทำทำบาปหรือทำสิ่งไม่ดีไม่งานเนี่ยได้น้อยลงแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือเพื่อให้เราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อชีวิตของเราและต่อผู้อื่นได้นะธารมที่ว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องสำคัญนะตันนี้ มาสู่ประเด็นที่สองนะฮะเรามาใช้เวลาเยอะนะฮะกับการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลากับวัตถุนะเพราะในยุคปัจจุบันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขาเรียกเป็นยุคบริโภคนิยมเนี่ยวัตถุมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากถ้าเราไม่ทําความเข้าใจกับวัตถุ ด, ดมทั้งเงินทอง ท, องทรัพย์สมบัติแล้วนี่มันก็เราก็จะตกอยู่ภายใต้มอนอํานาจของมันมันจะไม่ใช่เป็นของเรานะฮะแต่เราจะกลายเป็นของมันนะมันไม่ใช่ของเรา แต่เราจะกลายเป็นของมันถ้าเราทําใจถ้าเราไม่มีถ้าเรามองไม่เป็นเนี่ยรถหรือเงินเนี่ยจะไม่ใช่ของเรานะแต่เราจะเป็นของมันคือเราต้องยอมเหนื่อยยากเพื่อมันบางทีเราตายเพื่อมันมีคนมาป้นมาจี้เราไม่คิดชีวิตแล้วเราก็ต้องขัดขืน <c oughs> พราะกลัวว่าเขาจะเอาเงินเราไปกลัวเขาจะเอารถเราไปรักรถมากกว่ารักชีวิตรักเงินมากกว่ารักชีวิต อันนี้แหละที่เราบอกว่าเนี่ยเราเราไม่ใช่เป็นของมันไม่ใช่เป็นของเราเราเป็นของมันเราต้องตายเพื่อมันแล้วคนเวลานี้ตายตายเพื่อมันเนี่ยเยอะมากมันในที่เหมือนวัตถุนะไม่ใช่ปโปเโตโต้นะฮะเพราะนี่แต่ตามาคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยอยากจะทำอยากจะทํำเขา้าใจประเด็นสองเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นนะ ความสุขความทุกข์ของเเวลานเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นมากเช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงา น, นคนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยมีความทุกข์พ่อไม่สามารถจัดความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยกับกับคนในครอบครัวได้กับพ่อแม่กับสามีภรรยาได้หรือว่ากับเพื่อนร่วมงานหลายคนมักจะมัก มาปรึกษาตมาเรื่องมีปัญหากับเพื่อล้มงานมีปัญหากับเจ้านายแต่ไม่ค่อยมีใครมาปรึกษาเรื่องมีปัญหากับลูกน้องนะฮะเพราะว่าเราคิดว่าการมีใครมีใครที่มีปัญหากับลูกน้องก็คิดว่าใช้อำนาจจัดการก็คงจะได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นเราจะสัมพันธ์กับผู้คนอย่างไรนะอันนี้เป็นเป็นคําถามใหญ่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 เอาเข้าตัวได้มากมากแต่มนุษย์เรานี้ไม่สามารถจะอยู่ได้ตาบไดที่ทุกคนเนี่ยเอาเข้าตัวเด็กไม่สามารถจะอยู่ได้ถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อของพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายหรือว่าพี่ป้านะ้าอาเราทุกคนนี้โตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนได้เพราะทานที่ได้จากผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เรา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 จะทำอะไรเนี่ยต้องคิดก่อนต้องถายว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรได้อะไรในที่ได้หมายถึงเงินทองหรือว่าอาจจะชื่อเสียงหรือว่าหน้าตาแต่ผู้ศาศสนาบอกว่าเนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยมันไปไม่รอดคิดแบบนี้มันจะทําให้เราเกิดช่องว่างกับผู้อืน่นมากขึ้นเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่กตัวแล้วเราจะเห็นทุกคนรอบตัวเราเนี่ยเป็นศัตรูหรือว่าเป็นผู้ที่เราต้องคอยออเอาเปรียบ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 คนทำงานในบริษัททางร้านเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครไปทํางานตามที่ต่างๆเช่นปลูกปา่าดูแลมหมาจอนจัดไปสร้างบ้านดินกุฏิดินไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยซึนันมิรวมทั้งไปช่วยเหลือไปนวดเด็กที่สถาสนสงเคราะห์ปากเกรด็ดเด็กพวกเานี่ถูกทอดทิ้งแม่คลอดลูกไปแล้วก็ทิ้งหรือไม่ก็เอามามอบให้สถาสนสงเคราะห์เลี้ยงในภายหลังเพราะว่าเลี้ยงตัวเองนี้เลี้ยงไม่ไหว มีหลายคนเนี่ยนะเล่าว่าตอนที่จะจะไปนวดเด็กเนี่ยก็คิดว่าเราจะไปให้เขาแต่ปรากฏว่าไปประมาณเนี่ยเขากับให้เรามีคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นไมเกรนไมเกรนต้องกินยาเป็นประจำหลายปีติดต่อกันแล้วแกก็ไปนวดเด็กเราไปนวดทุกๆทุก ท, ก ท, ก ท, กทกุทุกอาทิตย์นะฮะไปนวดทุกอาทิตย์ไปเป็นประจำนี่ปีที่แล้ว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 เมื่อเราคนเราไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเนี่ยเกิดความปิติอิ่มเอิบเ อ, น โ, น, เอนโดฟินเอนโดฟนก็คือมอร์ฟีนที่เกิดขึ้นในร่างกายมันก็หลั่งออกมาก็ทำให้จิตใจเราชื่นบานไอ้ไมเกรนที่เกิดขึ้นก็หายไปนะและการให้คานเนี่ยการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขด้วยแล้วมันเป็นการช่วยสร้างสมรรถภาพที่ดีงามคนเราเนี่พอมีสมรสมสมภาพที่ดีงามมันมีความสุขหลายคนเนี่ยพอได้นวดเด็กแล้วเนี่ยเด็กที่แรกก็เด็กเขาขัดขืนนะฮะ แล้วเด็กเรานี่นอนสามเพราะว่าไม่มีใครอุ้มเลยเพราะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมีน้อยไม่มีกําลังที่จไปอุ้มเด็กก็นอนเดินไม่เป็นแล้วก็คอยขัดขืนใครมานวดก็น่าบึง้งนวดไปนวดไ ป, ดไปเด็กยิ้มฮะเด็กยิ้มแล้วแล้วก็พอทํานี้บ่อยๆเนี่ยทําทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยพอเด็กแค่เห็นหน้าคนนวดซึ่งมาเป็นประจำเด็กก็ยิ้มเอง ยืมได้เนี่ยคือคนเราเนี่ยถ้ารอบตัวเราเนี่ยมีแต่คนที่มีสมรรถภาพที่ดีกับเราเราก็มีความสุขนะความเครียดจะน้อยลงนะโดยทีอ่อาจจะไม่รู้ตัวเลยทุกวันนี้เนี่ยที่เราเครียดเนี่ยเดี๋ยวไปพูดว่าพอามีความทุกข์มีคนหนึ่งเนี่ยพอพอถึงวันเป็นผู้หญิงเนี่ยพอถึงวันอาทิตย์เนี่ยแกจะมีอาการขึ้นมาเลย มีอาการเกรง็งมีอาการปวดหัวนะหายใจไม่ค่อยสะดวกซึ่งไม่รู้เป็นพ่ออะไรแล้วก็มีคราวนึงเนี่ยเป็นช่วงประมาณเดือนพฤษภาเปิดเทอมเนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็พาลูกเนี่ยไปวันนั้ น, นเป็นมาอาทิตย์ก็พาลูกไปไปไปซื้อไปซื้อพวกอุปรกรณ์การเรียนให้ลูกนะก็มีความสุขนะเออลูกจะไปเรียนหนังสือแล้วนะ แต่พอนึกว่าพรุ่งนี้จะไปทํางานแค่นั้นแหละอาการนี้ขึ้นเลยแกก็เลยรู้อยไรเงี้ว่าไอ้ที่แกมีอาการานี้มันไม่ใช่เป็นอาการทางกายพอไปหาทีไรหมอไปหาหมอทีไรหมอตัวไม่พบแกพบว่าเป็นเพราะแกเครียดกับเจ้านายคือแกเป็นเลขาธุ ก, การเจ้านายเป็นคนที่เครียดมากเป็นคนที่ดุมากนะเวลานนั้ นึกว่าจะต้องไปทํา ง, งานแล้วไปเจอเจ้านายเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยโดยจิตและสัมนึกนี่มันเครียดขึ้นมาทันทีเลยก็นะยเลยต้องไปให้หมอเนะ่ยเาช่วยบําบัดนะให้ผ่อนคลายนะให้ปล่อยวางนะฮะคนเราเวลานี้เนี่ยเจ็บป่วยด้วยสาเหตุทางจิตใจนี่เยอะมากนะมีบางคนเนี่ยเป็น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 เขาพูดถึงพี่สาวพี่เขาเวลาพูดถึงพี่สาวเนี่ยเขาเขามีอารมณ์มากเลยพ่อก็รู้ว่าเขาพอขา่อก็สวดพี่สาวที่ทอดทิ้งเขาให้เขาต้องต่อสู้กับชีวิตตามลําพังแม่ก็ไม่มีพี่สาวก็ไม่ได้ดูแลเขาก็เลยเวลาพูดถึงพี่พสาวเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกทั้งน้อยนึอต่ําใจทั้งโกรธหมอบอกว่าไม่มียายที่ช่วยคุณได้หรอกยกเว้นอย่างเดียวคือว่าคุณ ควรจะให้อภัยที่สาววุ่นซะก็ไม่เชื่อนะแล้วอะกรนะั้ก็หายไปเลยหลายปีสองปีต่อมาเนี่ยเขาเขียนจดหมายมาหาหมอคนนี้บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาอาการดีขึ้นแล้วปกติแล้วพอเขาทำตามเข า, าทำตามที่หมอบอกก็คือให้อภัยที่สาวคือเวลานี้เนี่ยสัมพันธภาพของเรากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นตัว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 การกระทาของผู้อื่นที่ไม่เป็นไปตามใจเราความวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นปัญหาของคนจำนวนมากอาตมาเชื่อ ป, ปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเราเร า, เราไม่เราไม่รู้จักวิธีรับมือกับคำ ว, วิพากษ์วิจารณ์หรือคำตำหนิติชิ้นหรือคาดินทาแล้วเราก็เลยขาดทุนคือเป็นทุก์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 ลองถามตัวเองว่าสิที่เขาพูดมานั้นจริงไหมบางทีเราจจะพบว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นก็อาจจะมีความจริงอยู่บ้างซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเรามันอาจจะเป็นคําวิจารณ์อาจจะเป็นขยะสัก 95% แต่อาจจะมี 5% ที่เป็นประโยชน์ที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในการที่ปรับปรุงตัวเราหรือเอามาใช้เป็นเครื่องเป็นกระจกสะท้อนตัวเราว่าเรามีความขิดความพลาดความบกพร่องอย่างไรบ้าง แต่ถ้าเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาว่ากูเขาว่ากูเนี่ยเราจะทุกขนะ์เนเพราะว่ามันมีตัวกูเป็นตัวกูไปรับตัวกูไปรับเอาคำดา่านะแต่เราใช้ใช้ปัญญามารับมือกับคำวิาพาิจาเนี่ยด้วยการถามว่าที่เขาพูดมานั้นจริงไหมทำไมเขาต้องพูดเช่นนั้นบางทีเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมา ที่เขาทําตัวอย่างนั้นเพราะเขาอาจจะไม่รู้เพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจนะฮอาจจะเขาอาจจะไม่สบายใจหรือก็อาจจะอารมณ์เสียเข้าถึงหน้าบึ้งเพราะไม่ทักทายเรานะมันมีเหตุผลร้อยแปดที่ทําให้ คนคนหนึ่งเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจเราแต่ถ้าเราเอาตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปรับเนี่ยอัตตาตัวตนเนี่ยมันทุกข์นะแต่ถ้าเราพยายามใช้ปัญญาพิจารณาว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยาจะพบว่าโ อ, อ้ที่เขาหน้าบึ้งเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เกลียดเราหรอกแต่ว่าเขากาลังมีปัญหามีเรื่องกุ้มใจอยู่ที่บ้าน พ่อเขากำลังป่วยแม่เขากำลังจะรักษาตัวในโรงพยาบาลบางทีเราต้องมองเข้าไปสาวเข้าไปให้ถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะพอใครมีปฏิกิริยาอะไรกับเรามาในทางลบแล้วก็ตอบโต้ไปทันทีในทางลบโดยเคาะความไม่ถูกใจ แต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาสาหาสาเหตุบางทีเราจะได้เห็นทางออกทางแก้บางทีเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่ถามนะฮะแค่ซักถามว่าเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ไปทันทีเนี่ยมันอาจจะเห็นอาจจะพบคำตอบ ที่น่าสนใจก็ได้ที่ทําให้เราเข้าใจเขาที่เว้นน้ำ ม, มันมีมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งแต่งงานซึ่งยังเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆเสร็จแล้วก็อยู่กันได้สามเดือนก็ถูกเกณฑ์เปลบถูกเกณฑ์ปลบก็หายไปเลยนะผู้ชายหายไปเลยเป็นสามปีสี่ปีนะไมสงข่าวมาเลย แล้ววันหนึ่งผู้ชายก็กลับมากลับมากลับมาที่บ้านโดยไม่บอกกล่าวภรรยายเห็นก็ดีใจก็ไปสวมกอดนะแล้วก็สามีก็บอกว่าเนี่ยรอดชีวิตมาได้นี่ก็ต้องไปต้องไปเส้นว่าบรรพบุรุษหน่อยเพื่อตอบแทนก็ให้ภรรยานี่ไปซื้อเครื่องเส้นมา แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านตัวองก็เดินเข้าไปในบ้านก็เห็นเด็กเห็นเด็กสักสามขวบก็รู้แล้วเนี่ยเป็นรูกของตัวแต่เด็กก็ทํำท่าแปลกใจตัวผู้ชายก็เลยบอกว่าพ่อไงหนูพ่อจะเป็นลูกพ่อเรียกเรียกพ่อสิแต่เด็กก็บอกว่าคุณรุ่งไม่ใช่พ่อหนูลุงไม่ใช่พ่อหนู พ่อหนูมาที่บ้านทุกคืนเวลาแม่นั่งพ่อก็นั่งเวลาแม่พูดพ่อก็พูดเวลาแม่แม่นอนพ่อก็นอนด้วยพอฟังนี้เข้านี่เป็นยังไงโกโรธเลยเมียเราทาสงสัยจะไม่ซื่อแล้วไม่ใช่สงสัยอะคือไม่ซื่อจริงเลยพอพอ พอภรรยาเอาเครื่องเส้นมาแต่ก็กราบบ้านบรรพบุรุษก่าบบ้านบรรพบุรุษเสร็จก็เก็บเสื้อแล้วก็เดินออกไปเลยนะไม่ยอมให้ภรรยานี้เสน่นบ้านบรรพบุรุษด้วยเดินไป้วเข้าไปในเ ข, เข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็หายไปอยู่ในอยู่แต่ในกินเหล้านะกินเหล้าแต่กินเหล้าไม่กลับบ้านเมียไปเมียไปเรียกก็ไม่สนใจไม่พูดคุยด้วยเป็นนี้สามวัน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 พอทำพิธีศพตามศาสนาสามีก็พาลูกพาลูกพาลูกพ า, พาเด็กกลับบ้านตอนนั้นก็เย็นแล้เย็นแล้วก็จุดตะเกียงพอจุดตะเกียงเสร็จเนี่ยมันก็มีเงาของตัวเองเนี่ยไปปรากฏอยู่ที่ข้างฝาเด็กก็ชี้ไปที่เงานั่นไงพ่อนั่นไงพ่อเด็กชี้ไปที่เงาของของผู้ชายคนนั้นะ ผู้ชานก็นึกขึ้นมาได้ทันทีเลยไ อ, ไอพ่อ ท, ที่เด็กพูดเนี่ยมันไม่ใช่ใครเลยมันคือเงาเพราะความเป็นจริงคือว่าทุกคืนเนี่ยแม่นีก็จะตอนที่ตอนที่พ่อไปไปสงครามนี่แม่ก็จะแม่ก็จะก็จะร้องหงุมร้องไห้คิดถึงคิดถึงสามีนะ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 ไปเชื่อไปเชื่อไปสุดเอาจากคําพูดของลูกแล้วก็ไปสรุปอย่างผิดพลาดพาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วก็เลยทําร้ายจิตใจของภรรยาทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยถามภรรยาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนเนี่ยเราเราคนามีแนวโน้มที่จะเชื่อในสิ่งที่เราเราคิด และเราสรุปขึ้นมาเองซึ่งอันนี้ก็ตรงตามหลักกละามาัสูตรนะผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยอย่าเชื่ออย่าเชื่อเพียงเพราะว่า ม, มันมันมีมันมันสอดคล้องกับตรร ก, กะหรือมันมีอาการน่าเชื่อถือเนี่ยอย่าเชื่อเพียงเพราะแค่นั้นจะ ต, ต้องสาหาความจริงให้มากขึ้น ความสมานขอเราเวลาเนี่ยส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยจะเสียไปเพราะว่าเราไปสรุปเอาโดยที่ไม่ได้สอบถามความจริงเพียงแค่มีอะไรมากระทบแล้วเราไม่ถูกใจเราก็สรุปไป ว, นะว่าอาตมาเพื่อในความสมานผูอื่นเนี่ยมันจะต้องมาคิดถึงตรงนี้มากขึ้นด้วยคิดว่าอาตมาพูดมาพอสมควรตรงนี้ก่อนเพราะว่าทางผู้แต่ก็อยากจะให้เบรกแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพูดกันต่อทักบ่ายสามก็ได้ อาจจะขอัท่านนี้ก่อน